มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาสัตตมวักอนาคตะปัญหาที่สามถามว่า ท่านทำเพียรเพื่อจะดับทุกข์ที่เป็นอดีตรหรืออนาคตหรือปัจจุบันราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายานตุมเหวายามทะทาทุกวันนี้พระผู้เป็นเจ้าพยายามกระทําความเพียรเพื่อจะให้บรรเทาทุกข์อันเป็นอดีตที่ล่วงลับไปนั้นหรือประการใด พระนาคเสนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดุราณะบพิษผู้เป็นมหิศราธิบดีอาตมานี้จะได้พยายามกระทำความเพียรเพื่อจะประหารเสียซึ่งทุกขอันล่วงไปหาไม่ได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชากรมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาวายามัถะ หรือพระผู้เป็นเจ้าเพียรพยายามเพื่อจะประหารเสียซึ <i <i ่งทุกข์อันเป็นปัจจุบันหรือประการใดพระนาคเษศจริงถวายพระพรว่าหามิได้พระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ตรัสซักไซว่าพระผู้เป็นเจ้าพยายามเพื่อจะประหารเสียซึ่งทุกข์ในอนาคตหรือประการใดพระนาคเษศจริงวิสัชนาแก้ไขว่าหามิได้พระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ตรัสซักไซว่า พันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีายาญพระผู้เป็นเจ้าว่าไม่เพี้ยนเพื่อจะประหารซึ่งทุกข์ในอดีตและอนาคตปัจจุบันนั้นก็พระผู้เป็นเจ้าเพียรเพื่อจะดับทุกข์สิ่งไรพระนาคเษนจึงถวายพระพรแก้ไขว่าฉไหนบบพิทจึงถามชะนี้เล่าอัตมาได้ถวายพระพรแก่บบพิทพระราชสมภารเจ้าไว้แต่ก่อนว่า บรรพชาเพื่อว่าจะดับทุกนี้และไม่ให้ทุกอันอื่นบังเกิดได้พระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ตรัสักไซว่าทุกที่ยังไม่มาถึงนั้นมีอยู่หรือประการใด น, นะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบอพิทพระราชสมภารทุกที่ยังไม่มาถึงมิได้มี พระเจ้ากรุงมิลินจึงมีพระราชโอค์การถามว่าพันเตข้าแต่พระนาคเษนพระผู้เป็นเจ้านี้มีปัญญาทีเดียวชะไหนเมื่อทุกในอนาคตข้างหน้ามิได้มีก็ทำไมจึงมาอุสาหะพยายามเพื่อจะดับทุกที่ไม่มีเล่านี่ดับอย่างไรโยมยังสงสัยอยู่นี่มนพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาไปก่อนพระนาคเษนถวายพระพรว่ามหาราช ดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐเหมือนหนึ่งข้าศึกจะบังเกิดมีมาข้างหน้ามหาบพิษจะให้ข้าศึกมาล้อมพระนครก่อนจึงจะให้ขุดค่ายคูประตูเชิงเทินหอรบและยุ้งช้างตระเตรียมสเสบียงอาหารเมื่อข้าศึกมานั้นหรือประการใดพระเจ้ากรุงมิลินจึงตรัสว่าหาไม่ได้โยมก็ให้เตรียมจัดแจงเสซตแต่ก่อนข้าศึกยังไม่มาถึงนั่นสิ พระนาคเกษถวายพระพรว่ามหาบาพิษผู้ประเสริฐต่อข้าศึกบังเกิดจึงให้ฝึกช้างฝึกรถฝึกธนูหน้าไม้ปืนใหญ่ปืนน้อยนานาฝึกรำสตราวุธหอกดาบเพื่อจะปราบศัตรูกระนั้นหรือประการใดพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นกษัตริย์ว่าโยมให้ฝึกไวแต่เดิมแต่ข้าศึกยังไม่มาพระนาคเกษถวายพระพรว่า มหาราชะดูรานะบอพิษพระราชสมภารเมื่อข้าศึกยังไม่มาให้ฝึกไว้เพื่อประโยชน์อันใดเล่าพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัต ร, ริย์ว่าให้ฝึกไว้เพื่อจัดการภัยข้างหน้านั้นสิพระนาคเษนจิงถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบอพิษผู้ประเสริฐบอพิษกลัวภัยบังเกิดข้างหน้าหรือประการใด พระเจ้ากรุงมิลินเป็นกษัตริย์ว่ากลัวภัยในอนาคตข้างหน้าจะมาถึงนั้นสิพระนาค เ, เสนจึงว่าดูกระบอพิษอติปันฑิโตพระราชสมภารเจ้ า, า, จาทรงพระปัญญาเป็นหนักเป็นหนายังว่ากลัวภัยข้างหน้าอันยังไม่มีมาตกว่าให้ตระเตรียมไว้เสียพร้อมเจรนะบอพิษสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ก็สิ้นสงสัย ปรารถนาจะให้พระนาคเษนอุปมาให้ประหาดจึงอรัธนาว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้พิญโยภาวะยิ่งกว่านี้พระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชาดูรานะบอพิษพระราชสมภารบุคคลทั้งหลายเห็นปานดังบอพิษกรณีปรารถนาจะเสวยอุทกังอยากเป็นกําลังแล้ว จึงให้ขุดสะโบคารณีและขุดสะสีอันใหญ่หลวงจะได้ทันกำลังอยากหรือพระราชสมภารพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระหน้ า, าเกษณพูดเจริญโยมนี้เมื่อความอยากยังไม่บังเกิดมีก็ขุดเสียทีเดียวเพื่อจะให้ทันอยากอันจะมีมาข้างหน้านั้น พระนาคเกษจึงมีเถราวาจาว่าบพิษ ท, ทรงพระปัญญานักหนาเมื่อความอยากยังไม่มีมาก็จัดแจงให้ขุะไว้เสก่อนเจียนะบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินพระองค์อยากจะใคร่ฟังอุปมาใหม่จริงนิมนต์ให้พระนาคเกษอุปมาต่อไปเล่าพระนาคเกษเถระเจ้าจึงอุปมาว่ามหาราช ดูราณะบ่อพิษพระราชาสมภารปานดุดบ่อพิษพระราชาสมภารชานี้อยากเสวยข้าวสาลีจึงมีพระราชโอ่งการให้ถากไถ่โปรยหวานลงซึ่งข้าวสาลีต่อมีความอยากก่อนจึงให้กระทําหรือประการใดพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ว่าหาไม่ได้โยมให้กระทําตราเตรียมไว้แต่ยังไม่มีความอยากเพื่อจะกินทันอยากจะมีมาข้างหน้า พระนาเคเกษณจิงถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบอพิษพระราชสมภารบ่อพิษให้กระทําไร่ไถนาปลูกข้าวสาลีไว้ก่อนเพื่อจะรักษาการความอยากอันจะมีมาข้างหน้าฉันใดก็ดีอาตมานี้ก็ภาคเพียนไว้แต่หัวทีเพื่อจะการเสียซึ่งทุกข์อันจะมีมาข้างหน้านั้นก็เหมือนกันขอถวายพระพร พระเจ้ากรุงมิลินปิ่นประชากรทรงพระโสมนาตรัสว่ากันโลสิพระผู้เป็นเจ้ากล่าวนี้สมควรอนาคตะปัญหาเป็นคำรบสามจบเท่านี้